ขันตมัยโอวาทปาติโมขะคาทายปนามาเตสาลาปาปัสสัจจานังการไม่ัำบาทั้งควรโคจาราสูปาสัมปทนนาการทำผู้สุนใม่ถึงสองตัจจะปาริโทาพนนัง การทำายอิทของตนให้ขาวรอดเทตังบ so ุตานาจารย์ทั้งสามอย่างนี้เป็นคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทันตีสารมันตับโกดีสิคานทันตีคือความโหดด้าเป็นทำเครื่องเผาเกล็ดหยางยิ้ ท่านังบาลมังวัตรติพุทธานผู้รู้ทังหลายล่าววาปัสานว่าเป็นธรรมนยิงนัยบาปที่ตัวบาปบาดาลผู้กำจัดสัตว์อยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบัณฑิเลยธรรมโนเทพรางวีทะยันโต ลำบากอื่ให้ลาบากอยู่ให้ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปาวร์โทอนภปัโฐรนกาไม่พูดไรกาไม่ทำไรปาดิโมเพียจงสมวโรกาดำรวมในปฏิโมมาจันยุตาจัปตาสัมิง ความเป็นผู้รู้สมามในการบริโภคาัญญาสยาสนัตนาตาโนนตาหน้าในที่อันสงบอาทิตย์ทจริโความมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเทตัมพุทานาจัก อย่างนี้เป็นธรรสัมพันของพระพุทธเจ้าสังหาย